วันนี้เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดเข้าวาเพื่อมาทํากิจของจิตใจวันที่ไม่มเป็นวันพระก็เป็นวันที่ทํากิจของร่างกายกิจของร่างกายก็คือการหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ด้วยอาชีพต่างๆเรียกว่าเป็นกิจของร่างกายร่างกายต้องมีปัจจัยสี่คือมีอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยร่างกายจึงจะอยู่ได้เป็นปกติสุขเราเลยต้องไปทำมาหากินกันต้องทํางานทําการเพื่อจะได้มีรายได้มาจุนเจือ มาซื้ออาหารมาซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยกันแต่วันพระนี้พระพุทธเจ้าบอกให้เราหยุดสักหนึ่งวันให้เราหยุดกิจการทางร่างกายแล้วมาทำกิจการทางจิตใจเพราะจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับร่างกาย และเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเสียด้วยซ้าไปแต่เราไม่รู้จักจิตใจกันเท่านั้นเองต้องให้มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกให้เราเห็นความสำคัญของจิตใจเพื่อที่เราจะได้มาดูแลจิตใจของเราเหมือนกับเราดูแลร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอถ้าไม่ดูแลจิตใจด้วย เราจะมีแต่ความสุขทางร่างกายแต่เราจะไม่มีความสุขทางจิตใจนะสังเกตดูร่างกายเราเป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีภัยไม่มีอันตรายมาทำร้ายร่างกายแต่ใจของเราก็ยังกับมีความ ไม่สบายใจได้เพราะว่าการดูแลร่างกายไม่ได้ดูแลจิตใจด้วยดูแลร่างกายเราดูแลเพียงร่างกายแต่จิตใจเราไม่ได้ดูแลเพราะการดูแลจิตใจนี้ไม่เหมือนกับการดูแลร่างกายนั่นเองการดูแลจิตใจนั้นต้องดูอีกอย่างหนึ่งเพราะปัจจัยสี่ของจิตใจ ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายเดี๋ยวหนังต้องมียามคอยดักคนมาที่หลังหนังใายแล้วอยาให้คนเข้ามาในโรงให้นั่งรอนอกโรงก่อนเข้ามาแล้วมันบ ก, กวนหนังเลยต้องหยุดชายมาเดินหาที่นั่งเห็นไหมเวลาดูหนังตอนเข้าโรงเนี่ย พอนัง่งเขาใช้แล้วคนเข้ามานี่มันทำให้คนได้เขานั่งดูนห้ดูไม่ดูเรื่องมัธรรมดาวันสาวัติจะมีมีคุณเก้าคอยคอยจัดการพอใครพอเริ่มแสดงธรรมแล้วใครจะเข้ามาคุณเก้าบอกว่าให้นั่งอยู่ด้านนอกก่อนอย่าเข้ามาตรงด้านที่คนกำลังแสดงธรรมอยู่ เพราะมันจะบรบกวนสมาธิอะไรวันธรรมดาไม่ไม่มีคนคอยดูแลตอนนี้ก็เลยต้องอบอกเพื่อคนที่มาประจำจะได้ช่วยบอกคนที่มาที่หลังบอกว่าให้นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อน พอการถวายของถวายเสร็จแล้วถ้าอยากจะถวายเดี๋ยวค่อยถวายทีหลังหรือถ้าจะฟังธรรมก็นั่งฟังอยู่ด้านนอกอย่าเข้ามาข้างในเพราะจะเป็นการรบกวนแล้วก็ถ้าถ้าเชื่อธรรมเนียมเขาก็บอกว่าเป็นการไม่เคารพ ไม่มีความเคารพในธรรมเวลามีการแสดงธรรมนี่จะเป็นจะต้องมีความสงบกายสงบวาจาและสงบใจเป็นการแสดงความเคารพในธรรมเพราะว่าถ้าไม่มีความสงบกายสงบวาจาสงบใจการฟังธรรมก็จะไม่รู้เรื่อง เมื่อฟังไม่รู้เรื่องก็เสียเวลาเสียเวลาทั้งคนพูดเสียเวลาทั้งคนทำไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์ห้าประการที่จะได้จากการฟังธรรมจะไม่เกิดคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สี่จะทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือ ผลที่เกิดจากการมีความเคารพในการฟังธรรมเคารพด้วยการทํากายวาจาใจให้สงบกายเราต้องนั่งเฉยเฉยไม่ไปทําอะไรให้ส่งเสียงดังสองวาจาต้องไม่พูดคุยกันสใจต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่กําลัง ฟังอยู่เท่านั้นอา น, นิสงส์ผลประโยชน์ที่จะได้จากการฟังธรรมถึงจะเกิดขึ้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเนีท่านทรงตัดว่ากาเลนะธรรมะสวนงังเอตัมมังกัลลมุตตมังการฟังธรรมตามการ ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งจะเป็นมงคลก็ต่อเมื่อได้รับอา น, นิสงส์ ข้อใดข้อหนึ่งหรือห้าข้ อ, ห, ขอหรือทั้งห้าข้อถึงจะเรียกว่าเป็นมงคลเพราะมงคลก็คือประโยชน์สุขนั่นเองการจะได้รับประโยชน์สุขจากการฟังธรรมก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเวลาเราไปที่ที่เขามีการแสดงธรรมเราควรที่จะ ตั้งอยู่ในความสงบเพื่อที่จะได้ไม่ไปรบกวนผู้แสดงและผู้ฟังเพราะถ้าเกิดมีการรบกวนแล้วออกระแสธรรมที่ไหลเข้าสู่ใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ใจได้เมื่อไม่เข้าสู่ใจความเข้าใจก็จะไม่เกิดนั่นเอง นี่คือเรื่องของมงคนเรื่องของอนิสงค์คือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมถ้าผู้ฟังธรรมเป็นผู้ที่มีอินทรีย์พร้อมที่จะรับธรรมอันประเส ร, ริฐและผู้แสดงธรรมเป็นผู้แสดงธรรมอันประเสริฐโอกาสที่จะบรรลุธรรม ในกะาะที่ฟังธรรมก็มีก็เกิดขึ้นได้ในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งมีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากเพราะผู้ฟังก็ฟังด้วยความเคารพผู้แสดงก็แสดงธรรมที่บ่อยสุดทำแสดงธรรมแท้ทำร้อยเปอร์ซ็นต์ไม่มี ไม่มีของปรอมเจือปนอยู่เลยผู้ฟังก็เลยรับทมทั้งร้อยเปอร์เซน์เข้าไปสู่ใจพอทาได้เข้าสู่ใจร้อยเปอร์ซ็นต์ทำก็ทำให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นมาในใจทำให้กาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ให้หมดสิ้นไปได้ ừ, การฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติธรรมเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าปฏิบัติธรรมโดยไม่มีการฟังธรรมจะปฏิบัติไม่ถูกเมื่อปฏิบัติไม่ถูกก็จะไม่บรรลุธรรมกันดังนั้นก่อนที่จะปฏิบัติธรรมต้องฟังธรรมก่อน ต้องศึกษาทำก่อนเหมือนกับก่อนที่เราจะไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราต้องถามทางก่อนถามว่าสถานที่ที่เราต้องการจะไปนี้ไปทางทิศไหนเช่นไปทิศเหนือหรือไปทิศใต้เช่นอยู่ที่นี่เราอยากจะไปเชียงใหม่ถ้าเราไม่เคยไปเชียงใหม่เลยเราจะไม่รู้จักทางไปเชียงใหม่ เราต้องถามคนที่เคยไปแล้วว่าเชียงใหม่นี้อยู่ทางทิศไหนหรือสมัยนี้มีแผนที่มีป้ายบอกทางอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการฟังธรรมเดี๋ยวนี้เราขับรถไปไหนมาไหนเราต้องคอยดูป้ายบอกทางป้ายจะบอกเราว่าถ้าจะไปะเชียงใหม่จะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือตรงไป พอถึงแยกเขาก็จะบอกต้องไปซ้ายหรือขวาถ้าเราคอยดูป้ายเดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราไม่ดูป้ายเราขับไปตามใจชอบชอบอยากจะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายอยากจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาอยากจะตรงไปก็ตรงไปถ้าไปอย่างนี้ถ้าไปตามความอยาก ก็จะไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางได้ฉันใดการที่เราจะไปสู่ความสุขความเจริญที่ยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์ที่ถาวรเราก็จะต้องออฟังธรรมกันเพราะธรรมก็คือทางสู่การหลุดพ้นทางสู่พระนิพพานทางสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ที่พระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ส่งค้นพบขึ้นมาตัดสรูพรพ้พระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรก็ตัดสรู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครรู้ทางนี้ สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าก็ส่งไปถามผู้รู้ต่างๆที่ไหนที่มีผู้รู้ผู้เก่งก็ไปถามถามว่าทํำยังไงที่ให้ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะเราไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายไม่มีใครรู้ทางที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีก พรุทธเจ้าก็เลยต้องค้นคว้าเองเหมือนคนสมัยก่อนนี้ไม่รู้วิธีสร้างเครื่องบินไม่รู้วิธีสร้างจรวดไม่รู้วิธีทำให้ตนเองบินขึ้นไปจากพื้นดินได้ต้องรอให้มีคนฉลาดปรากฏมาขึ้นมาคนคิดความรู้อันนี้ก่อนว่าทำไมเราจึงบินไม่ได้กันทำไมเราจึงไม่บินเหมือนนก ก็เพราะว่าเราถูกแรงดึงดูดของโลกดูดเราไว้กับพื้นดินนั่นเองอเหมือนกับผลไม้เวลามันหลุดออกจากขั่วทำไมมันไม่ลอยขึ้นฟ้าทำไมมันตกลงมาในดินก็เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดดึงให้มันตกลงมาถ้าอยากจะให้มันไม่ตกลงมาก็ สร้างแรงดึงดูดให้มันดูดขึ้นไปข้างบนขอนก็เลยเริ่มคิดกันเริ่มคิดหาวิธีสร้างแรงดึงดูดให้ดูดสิ่งที่ติดอยู่กับดินให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นลมพัดเวลาลมพัดที่ยร่มันหมุนทำให้ใบมงใบไม้ที่อยู่บนดินนี้มันก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ คนก็เลยหาวิธีทำเครื่องให้ลมมันหมุนพอลมมันหมุนมันก็เลยดึงของที่ติดอยู่กับพัดลมนี้ให้ลอายขึ้นไปข้างบนได้คนเราก็เลยรู้จักวิธีทำให้ตัวเองบินได้เดี๋ยวนี้เราบินกันเป็นเรื่องปกติสมัยก่อนที่มีคนค้นคว้าความรู้ว่าที่เรา อยู่บนโลกนี้ติดเพราะมีแรงดึงดูดของโลกถ้าอยากจะให้เราลอยจากพื้นดินขึ้นไปเราต้องสร้างแรงดึงดูดที่จะดึงให้เราลอยขึ้นไปที่มีกำลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกพอแรงที่จะดึงให้เราลอยขึ้นไปมันมีกำลังมากกว่าเราก็ลอยขึ้นไปได้เวลาเรานั่งเครื่องบินเห็นไมมันจะมีใบพัดหมุน ใบพัดที่จะดูดอากาศาที่จะทําให้อากาศนี้ผลักให้เครื่องที่ติดอยู่กับเพลนนี้ลอยขึ้นไปในอากาศได้นี่คือความรู้ที่เกิดจากคนคนหนึ่งที่ทําให้สามารถทําให้คนอื่นได้รับประโยชน์กันอย่างมากมายกลายกองฉันใด ความรู้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นความรู้ว่าการมาเกิดนี้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันต้องพัดพากจากของที่เรารักบุคคลที่เรารักแล้วต้องมาประสบกับคนที่เราไม่รักของที่เราไม่รัก เวลาเราเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ใจของเราเป็นอย่างไรสุขใจหรือทุกข์ใจยิ้มกันหรือร้องไห้กันบ่นกันห ร, หรือดีใจกันเวลาเจอความแก่ในบน่บนมปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้นี่คือผลของการแก่จะวิ่งไปไหนมาไหนเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็วิ่งไม่ได้นะเห็นคนแก่วิ่งไหมวิ่งไม่ไหวไม่มีแรงจะทำอะไรให้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนคนหนุ่มคนสาวไม่ได้ความแก่ไม่มีใครอยากแก่กันความแก่จึงเป็นความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครอยากเป็นกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องนอนอยู่บนเตียง นอนด้วยความเจ็บปวดทรมานทั่วสะพางร่างกายเวลาตายยิ่งไม่มีใครอยากตายกันใหญ่เวลาตายมีแต่คนร้องห่มร้องไห้กันคนที่ไม่ตายยังต้องร้องไห้เลยคิดดูคนที่ตายนี่ถ้าร้องได้คงจะร้องร้องแบบไม่หยุดนะที่ไม่ได้ร้องเพราะร่างกายมันตายมันหยุดทำงาน ถ้าร่างกายตายแล้วยังร้องได้ร้องไห้ได้นลบลองได้ที่ลงศพนี้จะต้องมีท่อไว้รบายน้ําตาออกมาเพราะไม่มีใครอยากตายขนาดคนเป็นยังร้องไห้แทนคนตายเลยแล้วคนตายจะไม่ร้องไห้เนี่คือความทุกข์เวลาเรารักใครแล้วเราเสียเขาไปเรารู้สึกอย่างไรเราดีใจหรือเสียใจ เวลาเสียคนที่รักไปเวลาเสียสิ่งที่เรารักไปแหวนเพชรหายไปสร้อยเพชรหายไปอรถยนต์หายไปอใจนี่วูบวาบลงไปเลยวูบลงไปใจเสียเสียใจเสียดายเวลาต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบเวลาเจอเจ้านี้นี่ไม่ชอบเห็นเขาแล้วก็ไม่สบายใจ เวลาเจอเจ้ากรรมนายเวรเจอกันแล้วก็ไม่สบายใจแต่ถ้ามาเกิดแล้วจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงรู้ว่าการเกิดนี้ไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรทำมาทาให้มาเกิดกันพระพุทธเจ้าไปศึกษาถามใครก็ไม่มีใครรู้พาอเองพ่อองค์เองตอนต้นก็ไม่รู้ ว่าอะไรทำให้มาเกิดเมื่อไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนก็เลยต้องค้นคว้าเอาเองค้นคว้าไปค้นคว้ามาก็เจอว่าให้ตัวที่ทำให้มาเกิดนี้ก็คือตัวความอยากนี้เองความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอยากดูอยากดูภาพยนตร์ดูละคร อยากดูภาพอะไรที่ชอบภาพสวยๆงามๆต่างๆเสียงก็อยากจะฟังเสียงที่ชอบกลิ่นรสก็เหมือนกันอยากจะดมแต่กลิ่นที่ชอบรสก็อยากจะสัมผัสกับรสที่ชอบร่าการสัมผัสทางร่างกายก็อยากจะสัมผัสกับสัมผัสที่ชอบถ้า สัมผัสที่มันทำให้เจ็บก็ไม่ชอบอนี่แหละคือความอยากที่ทำให้ใจต้องมามีร่างกายกันการมีร่างกายก็คือการมาเกิดนั่นเองอการเกิดก็แปลว่าการเกิดขึ้นของร่างกายไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นของจิตใจจิตใจ น, นี้มีมาอยู่ก่อนร่างกายจิตใจ น, นี้ไม่มีไม่มีวันเกิดและไม่มีวันตาย จิตใจนี้มันเป็นเหมือนกับอากาศอากาศที่มีอยู่รอบตัวเรานี่พื้นที่เนี่ยที่มีอยู่รอบตัวเรานี่เรียกว่าอวกาศหรือความว่างความว่างนี่มันเคยหายไปไหมมันเคยเกิดขึ้นมาไหมมันมีของมันอยู่มาอย่างนั้นใจจิตใจผู้รู้ผู้คิดมันก็มีเหมือนกับ ความว่างที่มีอยู่รอบตัวเรานี้มันมีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปหาว่ามันมีขึ้นมาได้อย่างไรเพราะมันไม่ได้เป็นเหมือนกับของอย่างอื่นที่มีการเกิดแล้วต้องมีการดับอันนี้มันไม่มีการเกิดไม่มีการดับเคยเห็นความว่างที่มีอยู่รอบตัวเรานี้มันหายไปไหมเคยเห็นมันโผล่ขึ้นมาเองไมมันไม่โผล่ขึ้นมามันไม่หายไปไหน มันมีคืออยู่ของมันอยู่อย่างนั้นฉันใดใจของเราทุกคนก็มีอยู่อย่างนั้นของมันใจของเราคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้มีความรู้สึกนึกคิดต่างๆผู้ที่รู้สุขรู้ทุกเนี่ยคือใจตัวนี้ไม่ตายมันมีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมาถูกความหลงในใจคิดไปหลอกให้มันคิดว่า ความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสเมื่อคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะสามารถที่จะมาสัมผัสกับรูปเสียงกลดดิ่นรสได้มันก็เลยต้องไปแสวงหาตาหูจมูกลิ้นกายะพอได้ตาหูจมูกลิ้นกายคือร่างกายแล้วมันก็ใช้ร่างกายนี้ พาไปหาสิ่งที่มันคิดว่าเป็นความสุขพาไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดผลาเวลาเราไปเที่ยวกันเนี่ยเราไปหาอะไรกันเราก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดพลาอยากจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนก็ไปดูรูปเสียงกลิ่นรสผดพลาของประเทศนั้นเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีตาหูจมูกเล่นกายเช่นตาบอดหูหนวกเราอยากจะไปเที่ยวนะ ไปก็ไม่สนุกใช่ไไปทำไมไปก็ไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไปก็เหมือนกับไม่ได้ไปคนนี้ไม่ไปเที่ยวก็เพราะคนคนหูหนวกตาบอดนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นก็ไปเที่ยวไหนกันเพราะไปแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ได้ไปไปแล้วเหนื่อยเปล่าๆไปทำไมพวกที่ไปนี้หูไม่หนวกตาไม่บอด ก, กันเพราะเขาสามารถเห็นตามความอยากเห็นได้ ได้ยินตามที่เขาอยากได้ยินได้เขาถึงไปกันไปเที่ยวกันไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะตัวที่พาให้เขาไปเสบก็คือความอยากนึงตัณหาถ้ามีความอยากก็ต้องมันก็จะมันก็จะพาให้เราสั่งให้เราไปเที่ยวกันไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะตามสถานที่ต่างๆกัน นี่แหละคือตัวที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาเกิดกันแล้วทีนี้จะทำยังไงให้มันหยุดตัวนี้ได้ไหมหยุดตัวนี้ได้หรือเปล่าหรือตัวนี้หยุดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ลองศึกษาดูก็ส่งคนพบว่าหยุดมันได้หยุดความอยากได้พระพระองค์ก็เคยหยุดแต่เป็นการหยุดชั่วคราว ก็คือเวลานั่งสมาธิเวลามีสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวเวลาจิตสงบมไม่คิดความอยากก็ไม่เกิดพอจิตเข้าสมาธิจิตก็หยุดความอยากไว้ชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากก็ทำงานใหม่ พอเริ่มคิดถึงรูปเสียงกดลดิ่นรสก็เกิดความอยากเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสเอยคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมาเห็นขนมหรือคิดถึงขนมพอเห็นแล้วน้ำลายไหลไหอพอคิดถึงเครื่องดื่มที่เคยโปรดที่โปรดปานไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นเอมีฟองหรือไม่มีฟองอมีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ ถ้าเป็นของที่โปรต์อันนี้เรียกว่าสัมผัสอะไรสัมผัสกับกลิ่นกับรสใช่ไหมรสของมันเข้าไปในปากแล้วสัมผัสกับรสของเครื่องดื่มของอาหารอันนี้ก็เสพเหมือนกันเสพรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันรูปก็ต้องสวยใช่ไหมถ้าเครื่องดื่มดูสกปลกดูไม่น่ากินนี่ก็ไม่อยากจะกินอลองดื่มลองกินอะไรก็ไปในปากแล้วคายออกมาดูเลย ดูเสียว่าจะตักเข้าไปกินใหม่ได้ไหมอพอรูปไม่สวยถึงแม้รสจะอร่อยก็ไม่อยากกินแล้ว เ, เวลากินก็ต้องรูปต้องสวยก่อนเวลาเข้าปากแล้วไม่สวยไม่เป็นไรพาอมองไม่เห็นล่อะอย่าให้เห็นเป็นอันขาดถ้าเห็นแล้วไม่กินถ้าขายบ้วนน้ำลายใส่เข้าไปในอาหารหรือเอาอาหารที่เคี้ยวอยู่นี่คายออกมาใส่จานแล้วให้เราตักเข้าไปใหม่นี้ ต่อให้จ้างให้เงินกี่ตังก็ไม่เอาเนี่ยต้องเสพลูกที่สวยตอนต้นต้องสวยก่อนลูกเถมแล้วเขาถึงประดับประดาอาหารกันโดูแบบดูแล้วมันน้ำลายไหลพระพุทธเจ้าสอนวิธีแก้ก็คืออย่าไปให้มันประดับประดาเอามาคุกมันเอามาทำให้มันไม่น่าดูไม่น่ากิน พระเจ้าสอนพระให้ฉันอาหารในบาตรเอาอาหารทุกชนิดที่จะกินนั้นใส่เข้าไปในบาตรรวมไปในบาตรเพราะสมมุติว่าบาตรนี้เป็นท้องเนี่ยต่อไปอาหารที่เรากินนี้มันจะไปไหนมันก็ต้องไปรวมกันในบาตรนั้นใช่มันรวมตอนก่อนที่มันจะเข้าไปในท้องมันจะได้ไม่อยากกินมันจะได้กินด้วยความจําเป็นกินต้องบังคับมันกิน อย่างนี้มันดีเพราะไม่มีความอยากกินแล้วมันสบายถ้ามีความอยากกินแล้วมันทุกข์เพราะมันจะอยากเรื่อยๆกินก็ไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอกินจนกระทั่งพุงกลางกินจนกรทั่งนั่งกายกลายเป็นตุ่มก็ยังต้องก็อยากกินอยู่แต่ถ้าลองกินอาหารที่ไม่น่าดูดูเอา้เอาเอาอาหารที่มันน่าดูนี้มาคุกกันเ อ, เอาของขาวของหวาน เอาเครื่องดื่มที่เราจะรับประทานในมื้อนั่นเน่ยที่เขาจัดมาเป็นจานๆชุดๆนี้บอกคนเสิร์ฟว่าขอชามใบใหญ่ๆสักใบแล้วก็เอาอาหารต่างๆที่เราสั่งนี้ใส่เข้าไปในชามนี้คุกมันคนมันแล้วก็ตักกินไปแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินกินอาหารแพงๆกนะัน กินที่ไหนกินอาหารถูกๆ ก, ก็เหมือนกันกินอาหารถูกๆ ก, ก็อิ่มเหมือนกันไม่ต้องไปเสียเงินนั่งกินในโรงแรมในร้านอาหารห้าดาวมิชลินห้าดาวนี่ถ้ากินแบบใส่ภาชนะอันเดียวกันนี่ไม่ต้องเสียเงินมากกินหนเดียวก็เข็ดเสียดายเงินโอยหลงกันและกันใช่ อไปนั่งกินในโรงแรมห้าดาวกินอาหารราคาเป็นพันเป็นหมื่นนี่ว่ห้ขวดน้ําหมื่นขวานละขวดละแสนนี่มันเทใส่ภ า, าชนะอันเดียวกันไปเลยเทใส่าชามันเดียวกันแชมพงแชมเปญขนมโคกขนมเคก้กฉลองวันเกิดเอาเค้กใส่เข้าไปแชมเปญใส่เข้าไปคาเวียใส่เข้าไป อาหารชนิดไหนที่ราคาแพงๆใสมันเข้าไปหูปลาจะหูปลาฉลามเห็ดอะไรใส่เข้าไปของหายากของที่ต้องสั่งมาจากเมืองนอกเทมันเข้าไปในชามันเดียวกันน้ลำลองได้มาเสียดายเงินต่อต่อไปไม่อยากจะเสียดายเงินกินส้มตำข้างถนนดีกว่าไม่กี่ตัง ซาบีหลีกว่า <laughs> นี่คือกิเลสของเราความอยากของเราตัณหาของเรามันทําให้เราต้องมาทุกข์กับการหากินหาอยู่กันะแทนที่จะอยู่กันแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องดิดน้นรนหาเงินมาเยอะๆเพื่อจะได้ไปซื้ออาหารแพงๆไปนั่งอยู่ในร้านอาหารหรูๆลาลาะ ไปดื่มเครื่องดื่มราคาแพงแพงกันมาอวดกันเท่านั้นเองแต่ผลคือการทำให้ร่างกายอิ่มนี่มันเท่ากันใช่ไหมเป้าหมายของการรับประทานอาหารที่แท้จริงคืออะไรก็คือการให้อาหารกับร่างกายให้ร่างกายมันอิ่มมันไม่หิวให้มันมีกำลังวังชาที่เกิดจากการได้รับประทานอาหาร มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาหารราคาห้าหมื่นห้าแสนราคาห้าสิบก็อิ่มได้ข้าวต้มกว๋วยเตี๋ยวชามสองชามฮกินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันอันนี้พูดวิธีต้านความอยากเยพระพุทธเจ้ายังค้นพบวิธีต้านความอยากต่างๆจะต้อ ง, ต, องต้องมาเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสที่เราลหลงไหลข้างใคร ให้มันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่น่าไม่น่าหลงไหลคลั่งไครรูปเสียงกลิ่นรสที่มันน่าดูน่าชมไปทำให้มันไม่ดูน่าชมเสียเรื่องการรับประทานอาหารท่านจึงสอนพระให้ชันในบาตรเอาอาหารที่จะชันใส่ไปในบาทให้สมมุติว่าบาตนี้เป็นท้องอาารับประารเวลาเข้าไปในท้องนีอาหารมันเป็นอย่างไร เวล า, าเจียนออกมาเนี่ยแหละคืออาหารในท้องฉันใดขอให้เรานึกถึงอาหารที่เราจะกินว่าต่อไปมันจะต้องลง ร, ว ม, รวมกันอยู่ในท้องเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีความอยากกินถ้านึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่อยู่ในปากเนี่ยยิ่งอาหารที่ออกมาจากทวารหนักมันยิ่งไม่อยากจะกินใหญ่ รับรองได้ต่อไปมันจะน้ำหนักไม่เกินลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดายถ้าหัดพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาราดูความเป็นปฏิกูลของมันพระพุทธเจ้าทรงคนพกวิธีที่จะตัดความอยากต่างๆาถ้าเป็นเลือกอาหารก็ดูความเป็นปฏิกูลของมันถ้าอยากได้แฟนก็ให้ดูอสุภะของแฟน แปลนี้นอกจากจะสวยแล้วก็ยังมีส่วนที่ไม่สวยสวยเรียกว่าสุภาสุภานี่แปลว่าภาษาบาลีแปลว่าสวยงามสุภาพร น, นี่เห็นไ้มผู้ที่มีความสวยงามเป็นพรสุภาพรสุภาก็คือความสวยงามถ้าเห็นความเห็นของสวยงามก็จะอยากได้ใช่ไหม แย่งกันฆ่ากันสมัยก่อนทำสงครามกันใช่ไหนางคลีโอพัตรายแย่งกันผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยต้องไปให้คนอื่นก็เดือดร้อนต้องเอาทหารไปแย่งกันไปตีเมืองเพื่อที่จะได้นางนางที่สวยงามมาเป็นแฟน ถ้าลองมีปัญญาอย่างพระุทธเจ้าสอนท่านหน่อยถ้าเห็นอสุภะส่นหน่อยนี่ก็จะไม่อยากต้องไม่ต้องมีสงขามกันไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีกันอสุภะก็คืออะไรก็ดูเวลาที่ร่างกายที่สวยงามนี้มันไม่สวยงามสิมันไม่ได้สวยงามไปตลอดเวลาหรอกมันสวยงามตอนที่มันออกมานอกบ้านเท่า น, นั้นนะ่ะเวลาเข้าไปในบ้านนี้มันเดี๋ยวมันก็น่ไม่สวยแล้ว แถ้าตื่นขึ้นมานี่ก็ขี้ตาก็ยังติดตาอยู่ผมเเพ้วก็นี่ก็เริ่มเห็นความไม่สวยงามนะเวลาไม่ได้แต่งหน้าทาปากาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอาสวยๆงามๆความสวยงามมันก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วย่อยิ่งถ้าฉลาดกว่า น, นั้นมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้เนี่ ความสวยงามที่เห็นนี่จะหายไปหมดเลยลองมองเข้าไปใต้ผิวหนังเราเคยศึกษาร่างกายเราบ้างไหมว่าภายใต้ผิวหนังของร่างกายเรามีอะไรบ้างถ้าเคยเรียนแพทย์จะเคยศึกษากันเขาเรียกว่ากายวิภาคออนาตอมีออนาตมีคือดูอาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังนอกผิวหนังก็ดู นอกผิวหนังก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังพอใต้ผิวหนังเข้าไปพระพุทธเจ้าบอกก็ให้ดูต่อไปใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกเอ็นมีไวรัดกระดูกให้กระดูกมันติดกันเป็นข้อข้อเป็นชิ้นถ้าไม่มีเอ็นเดี๋ยวมันก็หลุดใช่ไหะ ถ้าไม่มีเอ็นเดี๋ยวกะดูกแขนกะดูลกขากะดูกมือมันก็หลุดเป็นชิ้นๆจะสั่งให้มันทำงานให้มันทำอะไรอย่างที่ทำอยู่ก็ไม่ได้ต้องมีเอ็นมีเอ็นเพื่อที่จะรัดกระดูกกระดูกก็ต้องมีเยื่อในกระดูกไว้สำหรับรอเลี้ยงเลี้ยงให้กระดูกให้มันจเจริญเติบโตขึ้นมามี มีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกแล้วก็มีอะไรอวัยวะสำคัญต่างๆมีม้ามมีปอดเนี่ยปอดไว้หายใจมีตับมีไตไว้สาหรับย่อยอาหารมีหัวใจไว้สาหรับฉีดเลือดมีลำไส้ไว้สำหรับระบายอาหาร จัดการกับอาหารที่เป็นกากที่เก็บไว้ในร่างกายไม่ได้ก็ต้องมีลำไส้ไว้สาหรับระบายให้มันออกจากร่างกายไปมีสมองมีมันสมองไว้สำหรับเป็นตัวควบคุมการทำงานไว้เป็นตัวสั่งงานให้อวัยวะต่างๆทำงานสั่งให้แขนให้ขามันขยับได้เวลา เวลาใจเป็นสั่งให้ขยับแขนสมองก็นี่แหละจะเป็นผู้รับคำสั่งจากใจอีกทีหนึง่งแล้วก็ส่งไปที่แขนที่ขาที่มือให้มันขยับตามที่ใจสั่งนี่คืออาการต่างๆถ้าเราศึกษามองเห็นอาการต่างๆภายใต้ผิวหนังแล้วต่อให้เป็นเป็นนายแบบนางแบบเป็น ดาราภาพยนต์เป็นนางงามจักรวาลก็ไม่มีวันที่จะเห็นว่าสวยได้เพราะส่วนที่สวยก็ถูกส่วนที่ไม่สวยมันกลบไปหมดเวลาเห็นส่วนที่ไม่สวยขึ้นมาแล้วส่วนที่สวยนี่มันกลายเป็นส่วนเล็กน้อยไปออันนี้ก็วิธีดูอสุภะอย่างหนึ่งอแล้วออีกวิธีหนึ่งก็ สมัยก่อนคนตายเขาไม่เผากันเขาไม่ใส่ลงกันเขาไปทิ้งในป่าช้ากัน อ, อยากจะดูร่างกายเวลามันไม่สวยไม่งามก็ลองไปดูในป่าช้าดูดูที่มันตายหนึ่งวันตายสามวันตายห้าวันมันจะเปลี่ยนไปมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงมันจะเริ่มน่าเกลียดมากขึ้นมากขึ้น ตอนต้นก็ขึ้นอืดขึ้นพองเขียวช้าดำเขียวแล้วเดี๋ยวก็แตกออกมาเอาไว้แหวะน้อยใหญ่บางทีก็มีสัตว์มากัดมากินมีมีแร้งกามากัดมากินนำไส้มีหมาสุนัขมากัดแทะ ก, กระดูกร่างกายก็กระจัดกระจายไปสีรษะไปทางหนึ่งแขนไปทางหนึ่งขาไปทางหนึ่ง แล้วถ้าทิ้งไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็แห้งผิวหนังอะไรต่างๆอวัยวะต่างๆที่ยังเหลืออยู่จากการไม่ถุกแรงกากัดมันก็จะแห้งเดี๋ยวมันก็เหลือแค่เศษกระดูกนี่แหละคือร่างกายที่สวยงามที่หลงไหลกันนักหนาะที่เนี่ยกิจก็เรียกอะไรเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ ความสวยความงามเนี่ยมันไม่รู้กี่แสนล้านบาทเนี่ยมันเพราะคนมองไม่เห็นสุภาพกันเห็นตาสุภาพถ้าไม่สุภาพก็ต้องทำให้มันเป็นสุภาพใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยมีเรื่องมีราวกันถูกหลอกกันอยู่เรื่อยผิวมีครีมชนิดนั้นครีมชนิดนี้จะรักษาผิวให้ผิวพรรณผ่องใสจะให้ดูสวยให้ดูงามไม่เหี่ยวไม่ย่น มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนี่เต็มไปหมดทั้งที่ของไม่สวยไม่งามนี่อยู่ในตัวของคนเราทุกคนกับมองไม่เห็นกันมีใครเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายของตนเองบ้างไหมไม่เห็นหรอกมองกระจกทีายก็เห็นแต่หน้าเห็นแต่ตาท่านั้นเองเห็นแต่เล็บเห็นแต่ฟันเห็นแต่คิว้ว ก็ไปแต่งม่ได้ตรงนั้นน่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็แต่งคิ้วเดี๋ยวก็แต่งเล็บเดี๋ยวก็แต่งฟันเดี๋ยวก็แต่งจมูกแต่งผิวอแต่งตาอแต่งขนตาอขนตาไม่มีก็เอาขนตาเทียมมาใส่เอหลอกชอบหลอกตัวเองอยากสวยอยากงามกันก็เลยหลงหล า, าคลั่งไคล่กับร่างกายรักหวงร่างกายหวงร่างกาย ทุกข์กับร่างกายโดยไม่รู้สึกตัวเออถ้าลองพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายแล้วเใจนี้จะไม่มีความอยากมีร่างกายเลยเพิจารณาว่ามันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอมันไม่สวยไม่งามเอมันไม่ใช่ตัวเราอันนี้ยิ่งสำคัญใหญ่ ตัวนี้เรามักจะหลงกันมากที่สุดก็ยังคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอยู่เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาหรือตอนนั้นตัวเราอยู่ตรงนั้นก่อนที่พ่อแม่จะสร้างเราขึ้นมาเราหยุดส่วนไหนของพ่อของแม่มันไม่มีหรอกมันเป็นส่วนร่างกายมันก็เป็นส่วนของร่างกาย เราผู้รู้ผู้คิดนี่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายเรามาเกาะติดกับร่างกายตอนที่ร่างกายมันเริ่มกาะตัวขึ้นมาตอนที่พ่อแม่เอาส่วนของพ่อกับส่วนของแม่มาผสมกันเรียกวปาผสมพัน์ไงพอมีการผสมพัน์เราคือจิตที่ไม่มีร่างกายที่เสียร่างกายไปเสียร่างกายอันเก่าไปเราก็ โคจรหารอจังหวะว่าใครกำลังผสมพันกันอยู่พอผสมพันเรามาก่อนเราก็เกาะติดร่างกายนั้นเลยเหมือนจับจองที่จอดรถใช่ไหมเวลาเราขับรถหาที่จอดรถราก็ขับไปเรื่อยใช่ไหมเอะตรงไหนว่างรอเปล่าพอเจอที่ว่างก็เลี้ยวเข้าไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราตายจากชาติก่อนนี่ร่างกายเราตายไป เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดนี่อันนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายคิดไม่เป็นไม่มีรู้ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดผู้มีความรู้ความคิดก็คือใจผู้ที่มาเกาะร่างกายเพราะต้องการใช้ตาหูจมูกม้นกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะต้องการเสบรูปเสียงกลิ่นรส เหมือนกับคนขับรถที่ต้องการหาที่จอดรถคนขับรถนี่ก็ไม่ไปหาอะไรใช่ไหมเวลาจะจอดรถเนี่ยเขาก็หาที่จอดรถอย่างเดียวเพราะเขาต้องการจะลงจากรถเพื่อให้เขาจะได้ไปทําธุรกิจอะไรของเขาได้ใจของเราก็เหมือนกับการขับรถหาที่จอดรถเนี่ยเราก็ขับไปเรื่อยๆ กลับไปหาคนไหนแต่งงานที่ไหนมีงานแต่งงานก็ไปละไปวนเวียนอยู่แถวนั้นเดี๋ยวก็จะได้มีที่ทจอดรถปรากฏขึ้น ม, า ม, า, า, ม, า, นม า, ามีร่างกายใหม่ปรากฏขึ้นมาพอมีร่างกายใหม่ใจก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีใจอื่นมาแย่งไปก่อนก็เกอะติดไปแล้วก็รอเก้าเดือนพอก้าเดือนก็คลอดออกมา เอาคลอดออกมากเา็เริ่มใช้ตาหูจมู ก, กลิ้นกายแล้วพออยากดูอะไรก็ร้องไห้พอร้องแม่เดี๋ยวก็ต้องหาอะไรมาให้ดูพออยากจะฟังอะไรก็ร้องไห้แม่ก็หาอะไรมาให้ฟังเห็นไหมเด็กๆเนี่ยตั้งตัวเด็กๆยังต้องมีของรล่ อ, อยู่ใช่ไมมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ฟังของเล่นที่ที่ ที่อยู่บนเหนือเปลนี่ที่แขวนไว้อยู่บน play, เปลนี่เวลาเด็กนอนแล้วหงายหน้าขึ้นไปก็จะได้เห็นสมัยโบราณก็ทำตาเงินปลาทองแล้วก็มีกระดงกระดิ่งอะไรพอเราได้ยินเสียงได้เห็นรูปเออเราก็มีความสุขขึ้นมาก็หยุดร้องถ้าไม่มีเสียงไม่มีรูปมันรู้สึกเหงาว้าเห่ก็เลยร้องขึ้นมา หรือเวลาหิวน้าอยากจะดื่มก็ร้องขึ้นมาเวลาหิวข้าวก็ร้องขึ้นมาเวลาปวดท่ายก็ร้องขึ้นมาพ่อแม่ก็ศึกษาดูว่าเราต้องการอะไรความต้องการบางอย่างมันก็เป็นความจาเป็นเป็นธรรมชาติเช่นเวลาหิวข้าวมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติหิวน้าก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าหิวเสียงหิวลูกนี้มันเป็นตันหาความอยาก อันนี้แหละพิจารณาให้เห็นว่าเราเป็นเพียงผู้ที่มาใช้ร่างกายมาเกาะติดอยู่กับร่างกายด้วยกระแสวิญญาณวิญญาณห้าเกิดวิญญาณทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเป็นวิญญาณที่จะได้เป็นตัวรับข้อมูลรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาให้เราไง ถ้าไม่มีวิญญาณไปเกาะติดกับร่างกายไปติดกับตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่ได้รับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเช่นตอนที่เรานอนหลับหรือเข้าสมาธินี่เราจะไม่ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเราจะหยุดส่งกระแสะวิญญาณมาที่ติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายแล้อให้มันพักไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเวลาหลับ นอกจากเป็นเสียงที่ดังๆหรือมีอะไรมากระทบแรงๆท่านั้นมันถึงจะรับรู้อันนี้คือเรื่องของใจใจเป็นตัวส่งวิญญาณห้าวิญญาณทางตาหูจมูกนิ้กายมารับรูปเสียงกิดลดผลทพะแล้วพอรับไปแล้วก็มีสัญญามามาพิจารณาว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรถ้ารูปดีก็เกิด เวทนาคือความสุขขึ้นมาถ้ารูปไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้มันมันมันตามกันมาแบบอัตโนมัติเวลาเราดูรูปตอนต้นเราถ้าไม่เคยเห็นรูปมาก่อนเราก็อาจจะไม่รู้ว่าดีไม่ดีถ้าไม่รู้ว่าดีไม่ดีมันเราก็จะเกิดเฉยๆขึ้นมาจะไม่เกิดสุขไม่เกิดทุกข์แต่รูปที่เราก็เห็นร่วมไม่ดีเช่นพอเห็นงูนี่มันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันที แต่ถ้าเป็นเด็กยังไม่เคยเห็นงูมันเห็นงูมันก็จะไม่ทุกเชื่อไหมเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรเอดีหรือไม่ดีแต่พอต่อมาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าออถ้าเห็นในตัวนี้มันไม่ดีเพราะมันทําให้เราเจ็บหรือทําให้เราตายได้ต่อไปพอเห็นงูทีนี้มันจะทุกขึ้นมาทันทีเพราะสัญญาความจําำสัญญานี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ส่วนหนึ่งก็จากที่เราเรียนรู้ในชาตินี้ อกส่นน่ก็เจอจากที่เราเคยเรียนรู้ในชาติก่อนจําได้เเราเคยชอบอะไรเราเคยเกลียดอะไรนี้มันจะฝังอยู่ในใจเราใครเกลียดสีเขียวมันก็จะเกลียดสีเขียวเคยชอบสีแดงมันก็จะชอบสีแดงอันนี้เป็นเรื่องที่จํามาเก่าสัญญาเก่าสัญญาที่เราได้ได้จัดจําไว้ในอดีตเนี่ย ทำไมจึงเป็นเรื่องไม่แปลกเวลาเราเจอใครบางทีเราก like ็ชอบเขาเลยใช่ไหมเวลาเจอใครเราก็ไม่ชอบเขาเลยอันนี้อาจจะเป็นสัญญาเพราะคนที่เราเจออาจจะสวยเราชอบคนสวยแบบนี้พอเจอคนสวยแบบนี้ก็ชอบขึ้นมาสวยอีกแบบหนึ่งก็ไม่ชอบต้องสวยแบบนี้ถึงจะชอบหรือถ้าเกลียดก็เกลียดเพราะเขาไม่ดีแบบนี้หรือไม่ดีแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสัญญา ถ้าไม่มีสัญญาก็จะไม่มีความรู้สึกเฉนแล้วก็จะเฉยเฉยเวลาเราเจอคนหรือเจอสิ่งต่างๆใจของเราจะมีความรู้สึกอย่างใดยอย่างหนึ่งในสามอย่างคือชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยถ้าชอบก็แสดงว่ามีสัญญาเก่าเคยชอบมาก่อนจำได้ถ้าไม่ชอบก็มีสัญญาเก่า ถ้าไม่ถ้าเฉยๆก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนเด็กที่เกิดมาใหม่ๆไม่เห็นอะไรที่มันไม่เคยเห็นเลอจําไม่ได้มันก็จะเฉยๆจำไม่ได้ว่าดีแล้วไม่ดีมันก็จะเฉยๆนี่คือสัญญาสัญญาที่มากับใจใจมีสิ่งมีลูกน้องอยู่สี่คนที่มาทําหน้าที่ประมวล ผลต่างๆมาให้กับใจมีวิญญาณไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมีสัญญามามาแปลความหมายของรูปเสียงกลิ่นรสว่าดีหรือไม่ดีแล้วก็มีเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีสังขารตัวคิดปรุงแต่งพอรู้ว่าไม่ดีก็จะคิดขึ้นมาทันทีว่าต้องกำจัดนันละใช่ไห ถ้าเห็นอะไรไม่ดีถ้ากำจัดได้ก็กำจัดกำจัดไม่ได้ก็ถอยเจอคนไม่ดีถ้าหลีกเห็นก็เดินมาทางนี้เราก็อาจจะเลี้ยวขวาไปหลีกทางไม่เจอกันดีกว่าเพราะเจอแล้วมันไม่สุขเจอแล้วทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขสังขาร น, นี่แ เ, เป็นตัวสั่งการสั่งใหรง้ร่างกายเราทำอะไรต่างๆ วันนี้ก็สั่งให้มาวัดพอคิดถึงวัดแล้วมันมีความสุขมาวัดแล้วมีความสุขได้ทาบุญก็เลยสั่งให้สั ง, สงขารก็สั่งให้ร่างกายมาวัดนี่แหละคือตัวที่ทำงานอยู่ในใจของเรามีอยู่สี่ตัวด้วยกันโดววิญญาณเป็นตัวรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพะ ตัวสัญญาเป็นตัวจำได้หมายรู้ตัวเวทนาเป็นตัวที่รับความสุขความที่เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ตัวสังขารที่จะสั่งให้จิตทำอะไรกับร่างให้ร่างกายทำอะไรให้เดินให้ไปหาสิ่งที่เห็นหรือให้ถอยอันนี้เรียกว่าขนา ม, มาขัน ที่ทำงานให้กับใจใจเป็นผู้รู้รู้ว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์นี้คือใจอีกทีหนึ่งรู้ว่ากำลังเห็นรูปเสียงกดลิ่นรสนี้คือใจรู้ว่าสัญญาบอกว่ารูปเสียงกดลิ่นรสนี้ดีไม่ดีคือใจเนีงั้นทั้งหมดมีห้าคนด้วยกันในใจมีห้าหน้าที่วิญญาณเป็นผู้รับรูปเสียงกดลิ่นรสมาให้ผู้รู้คือใจสัญญาเป็นผู้แป ความหมายของรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นรูปเสียงชนิดไหนดีหรือไม่ดีเวทนาเป็นทู้แสดงความรู้สึกให้รู้ว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์สังขานเป็นผู้คิดว่าคนจะทำไงกับความสุขความทุกข์ที่เจอนี้ส่วนใหญ่เราก็ถ้าเจอสิ่งที่เราทุกข์เราก็กําจัดมันใช่ไหมถ้าเจอสิ่งที่สุขเราก็ดึงมันไว้เหนี่ยวรั้งมันไว้อยากให้มันอยู่กับเราเป็นนา น, าน เนี่ยพอแล้เกิดความอยากขึ้นมาพรอพอเกิดสุขก็อยากได้เกิดทุกข์ก็อยากกําจัดมันขึ้นมาพออยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์พออยากแล้วกาจัดความทุกข์สิ่งที่เรากําจัดไม่ได้เราก็ทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกความทุกข์ของเราเนี่ยอยู่ตรงความอยากนี่ไม่ได้อยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่อยู่ที่ความอยากพออยากจะมีแต่ความสุขเพียงเดียว ไม่ดูว่าความอยากนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเขาจะเจ้าจึงมาสอนให้เราหยุดความอยากกันหยุดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบให้มันถ้ามีตาหูจมูกนิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสมาก็ให้ก็รับปันไว้ให้หมดอย่าไปเลือกอย่าไปรักอย่าไปชังวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่รักไม่ชังก็ต้องไปทำใจให้นิ่งทำใจให้เฉยไม่ให้คิด ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้อคือทําใจให้เป็นอุเบกขาเอทําใจให้เป็นอุเบกขาก็ต้องมาฝึกสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆต่อไปเราจะเฉยเห็นอะไรที่รักเมื่อก่อนจะอยากได้แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วจะเฉยเอ ถ้าเห็นอะไรที่ไม่ชอบอยากจะหนีก็ไม่หนีเฉยอยู่กับมันได้ถ้ามีอยูบเบกขาพอเรามีอยู่เบคกขาแล้วเราก็สามารถที่จะเอาปัญญามาสอนใจได้ว่าต่อไปนี้เราอย่าไปรักไปชังอย่าไปอยากได้อยากอยากมีอยากไม่มีเพราะเวลามันอยากแล้วใจมันทุกข์ พอเห็นอะไรเคยอยากก็ยอยากได้จะอยากเราก็ใช้ปัญญาบอกอ ย, ากอยากกา่ า, ย า, ยาไปอยากเอเห็นกาแฟอยากจะดืม่มก็อย่าไปอยากดื่มเอถ้าจะดืม่มให้มันถึงเวลาดืมด่มค่อยดื่มเอเช่นเราถ้าเรากําหนดให้มันเป็นอาหารเราก็กินกับอาหารไปอถ้านอกเวลาอาหารก็เราก็อย่าไปกินมันเอมันยังมีโอกาสได้กินอยู่แต่ควบคุมมันหน่อยอย่าไปกินตามความอยากให้มันกินเป็นอาหารไปเอ อยากกินอะไรก็รอให้มันไปรวมป็นเป็นอาหารให้หมดกินหนนเดียวเป็นพระนี่พระเจ้าสอนให้กินหนนเดียวแล้วเพื่อเพื่อกำจัดความอยากกินก็เอาไปคุกกับมันเลยเอากาแฟไปคุกกับข้าวเลย ใส่เข้าไปในข้าวผัดใส่เข้าไปในก๋วยเตี๋ยวอ่ามึงอยากจะดื่มกาแฟกูก็ให้มึงดื่มแต่แต่กูจะไม่ให้มึงดื่มเพื่อเกิดความอยากกูอยากจะดัดดัดสันดานความอยากมึงอยากจะดื่มกาแฟอ้าวมึงมึงอ้างว่าเป็นอาหารก็ได้เห็นก็ไปรวมกันเป็นอาหารเอใส่เข้าไปในชามเดียวกันกาแฟก็ใส่เข้าไปขนมเค้กก็ใส่เข้าไปแล้วก็คลุกกับข้าวเอ ใส่แกงเข้าไปด้วยมันจะได้เผ็ด ๆ, ๆนี่ก็เป็นอาหารไงกินกินอาหารกินได้เออยากกินด้วยความอยากเอกินด้วยความจําเป็นแล้วต่อไปความอยากดื่มกาแฟอยากกินอะไรมันจะหายไปหมดมันจะกินตามเวลาท่านนั้นแล้วต่อไปเราจะไม่มีความอยากจะทํานี้ได้จิตต้องมีสมาธินี้กินไม่ลง ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีโอเบคขาถ้าเราคุกอาหารต่างๆที่เราจะกินเนี่พอเห็นมัแล้วมัน <laughs> หนักแงกินไม่ลงเอาของหวานของข้าวของกรอบของอะไรเนี่ยของกรอบๆมาใส่ของให้มันเละอย่างนี้จำไหม <laughs> ข, อของเละของกรอบๆมาเจอน้ำข้ามันก็เละแลเละแล้วทีนี้กินไม่ลง <laughs> นี่คือวิธีกําจัดความอยากของพระเจ้าถ้าเราอยากจะไม่ต้องกลับมาเกิดเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายก็ขอให้เรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเรานี้จะหมดไป แล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปอการแสดงการคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลัง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 สัพพโรโขวินาปสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวาอภิวาตนาสีนิสนิจังวุทฒาปัญญโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทางเฟ c e b o o สี่ร้อยสองค่ะทางยู u ูบหนึ่งร้อยสี่สิบสี่วิทียอออนไลน์สามสิบห้ารับฟังบนข่าวหกสิบรวมทั้งสิ้นหกร้อยสี่สิบหนึ่งท่านค่ะวันนี้มีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ต้องยกมือขึ้นแล้วจะเอาไมโครโฟนไปให้ ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษมาให้คนอ่านให้ก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วเลิกแล้วก็เลิกเลยนะไม่มีโอทีีไม่มีจ่ายโอทีก็ขอให้เป็นไวล่มเวลาถ้าอยากจะถามถามในช่วงนี้ถ้าเลิกประชุมแล้วก็ห้ามถาม ถามได้แต่ไม่ตอบถ้ายังไม่มีใครถามจะให้ทางบ้านถามถ้ามีคำถามทางบ้านก็อ่านได้เลยคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะจากคุณนิพิธาค่ะเรียนถามท่านพระอาจารย์เรื่องหากเราจะถวายน้ำปานนะสิ่งใดที่เราสามารถถวายได้ และไม่ขัดกับหลักธรรมวินัยเจ้าคะสังเกตหลายครั้งโยมหลายท่านชอบถวายนมบ้างน้ำเต้ากูบ้างแต่เราเคยได้ยินว่ามันผิดพระวินยัยแต่สงเหล่านั้นท่านก็ฉันกันก็เลยยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรจะถวายเป็นน้ำปานนะแบบไม่ผิดพระวินัยเจ้าคะคือมันแล้วแต่ว่าเราไปถวายวัดไหนเดี๋ยนี้วัดก็มีความเห็น ที่เกี่ยวกับพระวิไนน์นี่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันบางวัดเขาก็เห็นว่านมมันดื่มได้ดื่มนมเดิ ม, น, ม, ดมน้ำถั่วเหลืองดื่มได้รับเงินรับทองได้ถ้าไปวัดเหล่านั้นก็ต้องเขาก็ให้ทําอย่างนั้นเขาก็ให้ทาวไอ้เงินกับพระกับมือได้แต่ ถ้าเป็นวัดอีกสายหนึ่งวัดสายนี้เขาก็บอกว่ารับเงินรับทองไม่ได้กลับมือเองจะให้ก็ต้องวางไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เก็บไว้เวลาจะใช้ก็จะบอกให้ลูกศิษย์ไปจัดการซื้อของให้แต่ไม่ให้พระครอบคองเก็บเงินไว้เองเพราะเป็นอันตรายให้ลูกศิษย์รับไปลูกศิษย์ก็มีที่เก็บที่ซ่อนอที่ปลอดภัย เวลาต้องการอะไรก็บอกรูปศิษย์ส่วนเครื่องดื่มหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ถ้าเป็นนมก็ดื่มไม่ได้เพราะถือว่าเป็นส่วนของอาหารของที่พระแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆ ก, ก็มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่เป็นอาหารเช่นข้าวผักเผิกอะไรพวกนี้ที่เรารับประทานเป็นอาหารกันเนี่ย พระจะรับได้ตอนช่วงที่ท่านฉันคือถ้ารับก็รับได้ตั้งแต่ตอนเช้าบินตะบา่าจนถึงเพนถ้าวัดที่ฉันเพลนถ้าไปวัดป่าวัดฉันมื้อเดียวเขาก็รับแค่ช่วงเช้าพอฉันเสร็จแล้วจะเอาอาหารมาถวายเพน ท, ท่านก็ไม่รับแล้วอนี่เป็นกลุ่มของอาหารอาหารนี่รับได้เฉพาะเช้าถึงเพนหลังจากนั้นก็รับไม่ได้ ถ้าเป็นอาหารที่เก็บไว้ได้ก็ให้วางไว้ฝากลูกศิษย์ไว้แล้วเวลาพระต้องการจะใช้ตอนฉันท่านก็จะบอกให้ลูกศิษย์เอามาถวายให้เช่นสบายนี้เรามีอาหารที่เก็บไว้ได้ใส่กระป๋องใส่อะไรไว้อันนี้ก็ถวายได้แต่พระรับกับมือไม่ได้ให้วางไว้อย่างของที่ยอดโยมมาถวายนี้เลยให้วางไว้เพราะว่ามันมีหลายแบบ ของบางอย่างรับกับมือได้บางอย่างรับกับมือไม่ได้ก็เลยบอกวางไว้เดี๋ยวให้ลูกศิษย์จัดการแยกเอาต้องการอะไรก็ให้ลูกศิษย์ถวายทีหลังอีกทีนนี่คือกลุ่มของอาหารกลุ่มที่เรียกว่ายาเภสัชเนี่ยสมัยโบราณมีอยู่ห้าเรียกว่ามีหนึ่งมีน้ำตาลหรือน้ำอ้อยสองน้ำผึ้ง สามน้ำมันน้ำมันที่เราใช้ในการทํำอาหารนี่แหละทากับข้าวน้ํามันแล้วก็มีเนยข้นเนยใสอสมัยก่อนเนยข้นเขาไม่รู้เป็นยังไงสมัยนี้เราเลยแปลเนยข้นว่าเป็นชีสไปเอป็นเนยแข็งไปอส่วนเนยใสเราก็แปลว่าเป็นบัตเตอร์เอเป็นเนยที่เราทาขนมปังเอ อันนี้พระฉันได้หลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วรับประเคนก็เก็บได้ไม่เกินเจ็ดวันถ้าหลังจากเจ็ดวันยังมีเหลืออยู่ต้องสละไม่ให้สะสมให้สละไปคือทิ้งไปให้คนอื่นไปไม่ให้เก็บเอาไว้สมัยก่อนอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บที่มิจชิตอกอย่างไม่อยากให้พระสะสมให้พระอยู่แบบแบบนกก็ได้ไม นกนี่เขากินก็ไม่มีที่สะสมที่เก็บอาหารเขาก็หากินไปวันวันของเขาพระกใ็ให้ทำอย่างนั้นเพราะว่ามันจะทำให้สบายใจกว่าพอมีสมบัติมีอะไรแล้วมันต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วมันจะยุ่งเดี๋ยวจะต้องมาสร้างที่เก็บสมบัติอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาจ้างยามาเฝ้าสมบัติอีกมันจะเรื่องมากก็เลยให้อยู่แบบนก ไม่ต้องมีอะไรมากมีสมบัติแค่แปดชิ้นคือมีบาทมีไตจีวรมีมีดโกนมีเข็มกระได้มีเข็มขัดรัดเอวแล้วก็มีที่กองน้ำอันนี้ไปไหนสะดวกพระธุดงค์พระสมัยก่อนจะเป็นพระธุดงค์จะเป็นพระไปนู่นมานี่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่เพราะต้องไปหาที่สงบภาวนาอันนี้ นี่ก็คือกลุ่มของยามีอยู่ห้าชนิดงั้นสมัยนี้อะไรที่มันอยู่ในกลุ่มนี้ก็ถือว่าก็ถวายได้เช่นลูกอ ม, มเนี่ยลูกอ ม, มที่หวานๆนี่มันก็มีแต่น้าตาลมีก็ถือว่าเป็นยาได้เป็นน้ำตาลน้ำผึ้งแล้วก็มีอยู่สมัยนี้น้ำมันเราก็มีน้ำมันที่เราใช้ในการทำกับข้าวนี่ แล้วก็เนยเนยคนก็กลายเป็นเนยแข็งไปเนยใสก็กิกลายเป็นเนยทาขนมปังไปอันนี้ยาติโยมเขาก็มีวิธีการทำให้มันน่ากินทำน้ำตาลมาผสมกับเนยเนยแข็งมากวนมันมานกวนมานน้ำมันเป็นทั้งเป็นทั้งเนยเป็นทั้งน้ำตาลผสมกันมันก็เลยทั้งเค็มทั้งมันมันก็เลยกลายเป็นกิเลส ล่ลอพระไปดูดเา้าพระไปแต่เมื่อมันยังอยู่ในในในขายที่พระพุทธเจ้าอนุญาตก็ต้องยอมแต่ความจริงถ้าไม่ได้อนุญาตให้กินแบบนี้ไม่ได้ให้กินเพื่อลดชาติไม่ได้กินเพื่อให้ดับความหิวให้กินเพื่อรักษาคาว่าเพสัชก็คือรักษาสมัยโบราณก็คงจะกินแบบเป็นยาเคลือบกระเพาะมึง เพราะว่าผ้ากินมื้อเดียวใช่ไหมคนที่มาบวชใหม่นี้อาจจะไม่เคยเวลาถึงตอนเย็นแล้วมันจะน้ําน้ําย่อยมันจะออกเพราะคนเคยกินเคยกินมื้อไหนพอถึงเวลานั้นน้ําย่อยมันจะออกถ้าไม่ได้กินอาหารเดี๋ยวน้ําย่อยก็ไปกัดกระเพาะเป็นโรคกระเพาะได้ถ้ากินพวกน้ํามันอะไรไปเคลือบกระเพาะไว้มันก็จะช่วยได้อาจารย์คะแล้วอย่างนี้เราเคี่ยวได้ไหมคะอ๋อเรื่องเคี้ยวไม่เคี้ยวไม่เป็นปัญหา มันคล้ายมันอยู่ว่ามันเป็นอะไรถ้ามันเป็นยาเคี้ยวได้ยาบางชนิดก็ต้องเคี้ยวใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าของถ้าเคี้ยวนี่แสดงว่ากินไม่ได้อไม่ใช่อย่างนั้นของที่ไม่เคี้ยวมันก็กินได้สมัยนี้มีเครื่องปั่นมันก็มาปั่นนปั่นให้มันไม่ต้องเคี้ยวกันเลยอยากกินอะไรก็ปั่นมันเข้าไปไม่ใช่มันเป็นอยู่ที่เคี้ยวไม่เคี้ยว อยู่ที่ว่าเราถือว่าเป็นอาหารหรือเป็นย า, ยางั้นเรื่องของยาเรื่องของอาหารนี่เราก็เข้าใจกันงั้นสมัยนี้มันมีอาหารเสริมเนี่ยถ้าเป็นอาหารเสริมเขา ก, ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยเขาถึงต้องมีสงสังคายนาไงมีสงมาพิจารณาว่าอาหารชนิดนี้สิ่งนี้เป็นอาหารหรือเป็นยาจะได้จะได้อนุญาตตามเวลาได้ทางฝ่าย สงฝ่ายหนึ่งเขาบอกกับพวกนมถั่วเหลืองพวกโอวันตินพวกไมโลนี่มันมีส่วนผสมของอาหารมีแป้งมีข้าวถึงแม้จะมาบดมามาบดจะทั้งละเอียดไม่ต้องเคี้ยวมันก็ยังเป็นแป้งเป็นข้าวอยู่ใช่ไหมพวกโอวันตินนี่เป็นผงเทใส่ผสมกับน้าแล้วดืม่มอันนี้ก็ดื่มอาหารไม่ใช่ดื่มไม่ไม่ใช่ดื่มยาก็เลยพวกนมพวกอะไรพวกนี้ก็เลยถือว่า รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นยาแต่ถ้าเป็นน้ํามันน้ําอ้อยน้าอ้อยสมัยนี้ก็เป็นเป็นแบบที่อ ม, มเมาใช่ไหมน้าตาลอพลงน้ําตาลยาอมทั้งหลายเนี่ก็อมได้ยาอมก็ถือว่าเป็นยาหลังเที่ยงวันได้ แล้วนอกจากยาห้าชนิดนี้แล้วก็ยังมีน้ําผลไม้ที่เอามาคั้นเอาน้ํำคั้นจากผลไม้นี้มาดื่มได้แต่ผลไม้นี้โดยธรรมชาติของมันขนาดของมันต้องไม่ใหญ่กว่ากําปั้นเช่นพวกส้มอย่างนี้ถือว่าอยู่ในขนาดใช้ได้แต่มะละกอนี้ไม่ได้เอส้มโอไม่ได้ใหญ่ไปหรือมะพร้าวไม่ได้อแตงโมอย่างนี้ไม่ได้ ว่าโดยธรรมชาติขนาดของมันมันใหญ่กว่ากำปั้นเอพวกนี้ก็ต้องเอามาคั้นน้ําไม่ได้ต้องเอาที่เป็นขนาดเล็กกว่ากำปั้นหรือเท่ากำปั้นอสมัยโบราณเขามีพวกน้ําตะขบน้ําอะไรแต่สมัยนี้เรามีการติดต่อกับเมืองนอกเมืองนาเขาก็เลยมีผลไม้ต่างประเทศเข้ามา ม, อมอปปีองุ่นมีแอปเปิ้ลแอเปิลมีอะไรนี่แล้วเขาก็มีวิธีการคัน สมัยก่อนเวลาคั้นผลไม้ต้องคั้นสดๆแล้วก็ก่อนจะคั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาผ้ามากรองเอาเนื้อออกให้หมดไม่มีเนื้อให้มีแต่น้าเพราะไม่ต้องการให้กินเป็นอาหารให้กินเป็นยาแล้วสมัยนั้นสมัยก่อนไม่มีที่เก็บถ้าเป็นน้ำปะนะน้ำน้าผลไม้ที่คั้นอยู่นี่มันจะต้องเก็บข้ามคืนไม่ได้ต้องดื่มภายในวันนั้น พรข้ามคืนแล้วมันจะบูดน้ําปานะในสมัยก่อนท่านจึงไม่ให้ฉันไม่ให้เก็บไว้ข้ามคืนแต่น้ําปานะสมัยนี้มันมีกรรมวิธีที่ใส่กล่องใส่ขวดเก็บได้นานก็อาจจะสงเคราะห์เป็นเก็บไว้เท่ากับพวกยาเจ็ดวันอันนี้อนุญาโตโยมไม่ต้องรู้อันนี้เป็นเรื่องของพระ ยาติโยมขอให้รู้ว่าถ้าอยากจะถอยน้ำป้านะน้ำผลไม้ต้องน้ำเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเนีย่ยเช่นน้ำส้มน้ำองุ่นน้าฝรั่งหรืออะไรต่างๆที่เขามีขายแล้วต้องไม่มีเนื้อไม่มีกากน้ำส้มสมัยนี้เขาจะใส่เนื้อเข้าไปาถ้าถ้าใส่เวลาพระจะฉันพระต้องมากองเองอีกทีหนึ่งต้องหาที่กองอ อันนี้เป็นน้ำปานะที่ญาติโยมจะถวายให้กับพระได้เขียนว่าพอจะเข้าใจแล้วนะเอายาละกลุ่มที่สามนะกลุ่มที่เป็นยาที่เก็บได้ตลอดไม่มีอายุนับประเคนได้ตลอดเวลาก็คือยารักษาโรคภัยแค่เจ็บเช่นยาแก้ปวดหัวปวดท้องปวดอะไรอย่างนี้ที่ไปที่จ่ายตามโรงพยาบาลนี้รับไว้ได้แล้วก็รับประทานได้รับประทานเป็นยาได้ เก็บได้ไม่มีไม่มีอายุเก็บได้ตลอดแล้วถวายได้ทุกเวลารับได้ทุกเวลานี่คือกลุ่มของที่พระจะรับมาฉันนี่ท่านแบ่งไว้เป็นสามกลุ่มด้วยกันหนึ่งอาหารรับได้เก็บไว้ได้เพียงครึ่งวันหลังจากครึ่งวันถ้ารับไว้แล้วจะต้องหลังเที่ยงวันไปแล้วต้องสละไปให้คนอื่นไปไม่ให้เก็บข้ามคืนไม่มีที่เก็บไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้กับข้าวอะไร หรือคืออาหารส่วนยาพวกน้ำพึ่งน้ำอ้อยนี่รับแล้วก็เจ็ดวันเก็บไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวันแล้วยาที่เก็บไว้ได้ตลอดก็คือยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บตามโรงพยาบาลที่หมอจ่ายมาให้สั่งมาให้ยาแก้ปวดยาแก้อะไรต่างๆนี้ก็รับแล้วก็เก็บไปได้คำถามจะคุณบีนาค่ะ ถ้าเรามีปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราโดยที่ต่างคนต่างก็ยึดความคิดของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นถูกต้องเราควรตัดสินใจจบปัญหาด้วยการยอมให้เป็นไปตามที่อีกฝ่ายต้องการเพื่อเลี่ยงการปลุกเวียนใช่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับกรณีถ้าถ้าเรายอมได้ก็ดีจะได้จบยอมแล้วหยุดแล้วเย็นแต่บางการณีมันยอมไม่ได้เพราะมันยอมแล้วมันทาให ความถูกต้องเสียไปมันก็ยอมไม่ได้เช่นเราไปยอมพระวินัยอย่างนี้ไม่ได้กฎหมายเขาว่าอย่างนี้แล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายให้ยกเลิกกฎหมายไม่ต้องทาําตามกฎหมายมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็อยู่ที่ว่าจยอมได้หรือยอมไม่ได้เช่นคนหนึ่งเขาบอกไม่เป็นไรโกงภาษีได้คนก็บอกโกงไม่ได้โกงภาษีแล้วเดี๋ยวติดคุก อย่างนี้ก็ยอมไม่ได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันถ้าเรามีหน้าที่เราก็ต้องทําตามหน้าที่ของเราไปแต่เขาจะไปโกงภาษีก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ห้ามเขาแต่เราไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการที่ผู้ปฏิบัติระลึกชาติได้ว่าหลายร้อยปีเคยเป็นแม่ทัพออกสึก รบในสนามรบได้ฆ่ากันตายมากมายพบชาตินี้มาปฏิบัติเพื่อลบล้างและต้องการการหลุดพ้น ก, กราบเรียนถามว่าบาปที่ฆ่ากันในสนามรบจะต้องปฏิบัติใช้นิชชีวิตอย่างใดได้โปรดชี้แนะเจ้าค่ะบาป ท, ทำไว้แล้วลบไม่ได้นะ สิ่งที่เราทําได้ก็คือให้หนีให้บาปตามไม่ทันได้เช่นองค์ุลิมานองค์ุลิมานก็ฆ่าคนในในพบนี้ตั้ง9ก้า้อยคนพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ากําลังทําผิดการฆ่าไม่ใช่เป็นวิธีที่จะบรรลุถึงพระนิพพานถ้าจะฆ่าให้ฆ่ากิเลสแทนฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลง พอพระ อ, องคุลิมาเข้าใจก็เลยหยุดฆ่าคนแล้วมาฆ่ากิเลสแทนฆ่าความโลภความอยากฆ่าความโกรธความหลงพอฆ่าหมดใจก็หลุดพ้นจากการมาเกิดแก่เจ็บตายพอไม่มาเกิดกรรมทั้งหลายที่ทำไว้ก็ไม่มีผลต่อผู้ที่ไม่มาเกิดแต่ถ้ากลับมาเกิดเมื่อไหร่กรรมนั้นก็ยังสามารถที่จะตามมาส่งผลได้ ถ้าอยากจะหนีกรรมหนีบาปกรรมทั้งหลายที่เราทำให้พน้นนีขั้นขั้นที่หนึ่งเราทำได้ก็คือเป็นพระโสดาบันถ้าโสดาบันนี้เราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายใช้กรรมในอบายแต่ในขณะที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เรายังอาจจะต้องถูกเขาอจองเวรจองกรรมได้อยู่เจ้ากรรมนายเวรยังตามมาได้อยู่เหมือนอเหมือนพระโมคคัลลานะ ถึงแม้ท่านจะเป็นพระอารหันต์แต่ท่านยังไม่ตายเจ้ากรรมนายเวรเก่าของท่านก็ยังตามมาฆ่าท่านได้อยู่แต่ถ้าท่านเป็นพระอารหันต์แล้วถึงแม้จะถูกเจ้ากรรมนายเวรฆ่าท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจท่านไม่ได้ยึดติดกับร่างกายแล้วท่านมองเห็นร่างกายว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นดังนั้นจะฆ่าร่างกายของท่านท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรอนนี้ถ้าอยากจะพ้นกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพระอารหรันต์ ไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วกรรมที่เราทำไว้มันจะไม่มีผู้ที่จะไปรับผู้ที่ไปรับไม่มาเกิดแล้วสง่สงส่งไมโครโฟนไปกเอนอพูดใกล้ไมโครโฟนหน่อยเสยียงเยอะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าพระโสดาบันค่ะก็ะปฏิบัติขนาดไหนถึงเป็นพระโสดาบันค่ะก็แ ค, คะละ่ละร่างกายนี่ไง อ ย, อย่าไปติดยึดติดร่างกายอย่าไปถือว่ามันตัวเราของเราปล่อยมันตายปล่อยมันเจ็บปล่อยมันแก่ไปเลี้ยงดูเหมือนตามธรรมดาเหมือนเลี้ยงหมาตัวนึ่งเงี้ยเราเลี้ยงหมาเราไม่ไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราใช่ไหมก็เลี้ยงมันไปมันจะเจ็บก็หายายมันกินหายก็หายไม่หายก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันพระสวสดามันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวท่าน ท่านจะแยกตัวท่านออกจากร่างกายได้ท่านเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งเข้าใจไห ม, มเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารนั่งสมาธิเนี่ย่ะแล้วเราสามารถไม่รู้สึกว่าร่างกายของเราเราก็หมายว่าเราเป็นโสดาบัลคะ่ะอย่างอย่างรนั่งสมาธินี่เราเพียงแต่ถอนความรับรู้ ที่เราเกาะติดกับเียอย่าเพิ่งมาไปเดี๋ยวถามอีกก็ยองยื่นไปยื่นมาอีกเนะอาให้มันจบตอนนั่งสมาธิเราเพียงแต่ถอนตัววิญญาณออกจากร่างกายชั่วข่าวไม่รับรู้เรื่องของร่างกายชั่วข่าว แต่ความคิดที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามันยังมีอยู่ในใจเราเราต้องเวลาออกสมาธิมาต้องคอยสอนใจเตือนใจห้ามใจอย่าไปเกาะอย่าไปติดกับร่างกายให้มองร่างกายว่าเป็นเหมือนหมาที่เราเลี้ยงในบ้านแล้วมันจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ดูแลมันไม่ได้หมายความให้ทอดทิ้งมัน มันไม่สบายก็เลี้ยงมันก็หายาให้มันกินมันหิวก็หาข้าวให้มันกินแต่ไม่ไปทุกข์ไปกังวลกับมันมันจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของมันไปอันนี้ต้องสอนเวลาออกจากสมาธิมาเพราะว่าถ้าไม่สอนมันก็จะกลับไปยึดเหมือนเดิมกลับไปคิดเหมือนเดิมคิดว่าเป็นตัวเราของเราต้องดูแลรักษามันให้ดีต้องกังวลกับมันวิตกกับมันอย่างนี้ต้องแก้ด้วยความคิดคิดใหม่ คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นมันเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้มันผู้สั่งมันเราเป็นเจ้านายมันเป็นเป็นคนรับใช้เราเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งเดี๋ยวให้มันกินข้าวหมาไงเวลากินให้มันกิน ข, าข้าวหมาคุกให้มันกินจะได้ไม่ไปเอาความอยากติดไปด้วย อ่าใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวเรามันจะกินยังไงก็กินได้ใช่ไหมคุณ <c oughs> ปากเข้าหมาเลยจะได้รู้ว่ามันมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเรายังเลือกกินอยู่แสดงว่าเรายังคิดว่ามันเป็นเราอยู่ใช่ไหมอย่าไปเลือกกินน่าจะปล่อยวางร่างกายนอกจากปล่อยความแก่ความเจ็บความตายแล้วต้องปล่อยเรื่องการใช้ร่างกายจะไม่ใช้มันไปตามทําตามความอยากต่างๆอีกต่อไปถ้ายังใช้อยู่ก็ยังแสดงว่าเรายัางยึดติดกับมันอยูอย่ ยังยังอาศัยมันอยู่ยังเพิ่งมันอยู่ยังต้องมีมันอยู่แสดงว่าเราต้องเลือกไปเลือกรสอาหารอะไรก็ได้เออไปที่ร้านเด็กมาถามจะกินอะไรอะไรก็ได้บอกมบนนี้เด็กมันจะได้งงมึงกินอะไรได้กูก็กินอย่างนั้นก็แล้วกันมึงเลือกมาให้กูก็แล้วกัน แต่เขาบอกว่าคุณไปโยในใส่เขาเขไม่รู้เรื่องหรอกเขาพมดเห็นอย่างงั้นแต่นี้พูดเปรียบเทียบไห้ฟังคำถามจากคุณสุวรรณนาค่ะถ้ามีคนหรือบุคคลอยากอาหารคืออยากไปแล้วแล้วรู้ว่าอยากเราควรจะหยุดวิญญาณ ส, สัญญาสังขารคือรู้ว่าอร่อยก็แค่อร่อยการปล่อยให้อร่อยมันจะเป็นการเติมกิเลสไปเปล่าๆคิดอย่างนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้เนาะคิดอย่างนี้มันก็เพียงแต่หลอกตัวเองเพื่อยังไปกินของที่เราอยากอยู่วิธีที่จะแก้ก็คือเวลามันอยากกินอะไรก็อย่าไปกินอย่า ง, างนั้นไปกินของที่เราไม่อยากกินของที่เราไม่ชอบเพื่อดัดนิสัยมันต่อไปเราจะได้กินอะไรก็ได้ตอนนี้เราเลือกเราเลือกกินแต่ของที่เราชอบกิน fit, อยากกินของที่เราไม่ชอบไม่อยากเราจะไม่กินนี่นเราต้องดัดสันดาณมันต้องแก้มันด้วยการ มันอยากกินอะไรก็ไม่กินอย่างนั้นให้กินอย่างอื่นกินของที่มันไม่อยากของที่มันไม่ชอบหรือให้คนอื่นเขาจัดให้เราก็ได้อย่างพัเนี่ให้ญาติโยมจัดมาใส่บาตรมาอยากให้พักกินอะไรก็จัดเข้าไปแล้วพักก็กินตามที่ญาติโยมจัดมาไม่สามารถกินตามความอยากได้คาถามจาคุณปอค่ะอยากเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่า การที่คนเรามาเจอกันเป็นเพราะบุญวาสนาหรือไม่ครับออมันมีหลายหลายสาเหตุด้วยกันที่เราจะมาเจอกันออความผูกพันการได้ทำบุญร่วมกันมาในอดีตออร่วมร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้มาได้เจอกันออบุญวาสนาแต่บางทีเหตุบังเอิญก็ทำให้มาเจอกันได้ออมันมันมีหลายสาเหตุ เมือนกับเวลาเราขับรถเราไปเจอกันที่สี่แยกไฟแดงเนี่ยมันมันอะไรทาให้เราไปเจอกันตรงนั้นน่ะใช่ไมแล้วเราไปเจอกันทุกครั้งว่ามันก็ไม่เจอกันทุกครั้งใช่ัหแต่ไม่แน่ถ้าเราออกจากบ้านเวลาเดียวกันขับรถไปในทิศทางเดียวกันทุกวันอาจจะไปเจอกันบ่อยก็ได้เะมันอยู่ที่หลายสาเหตุด้วยกันคำถามจากคุณแพมค่ะถ้าถือศีลแปด ดื่มนมที่สกัดจากพืชได้หรือไม่เจ้าคะเช่นนมที่สกัดจากมเมล็ดอัลมอนด์พืชก็ยังถือว่าเป็นอาหารอยู่ต้องเป็นผลไม้ถึงจะเรียกว่าเป็นน้ําปานะถ้าเป็นพืชเป็นผักนี่สมัยนี้มีน้ําผลไม้อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอาหารอยู่คําถามจะคุณไพทีค่ะ ขอถามพระอาจารย์ตอนรับพรจากพระหลังจากใส่บาตรแล้วควรยืนรับพรใช่ไหมครับเพราะจะไม่ทําให้พระอาบาัดเพราะรับทราบมาว่าถ้าพระยืนเราต้องยืนถ้าพระนั่งเราต้องนั่งถึงจะไม่ทําให้พระท่านอาบาัดอันนี้ก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอาบัตในเรื่องของธรรมเนียมนี่ไม่เสียหายเวลาพระให้พรเวลาพระพูดธรรมเนียมไทยเราจะให้ความเคารพพระด้วยการนั่งฟังดะงนั้นไม่มีปัญหาอะไรพระอาบัติก็ไม่ใช่เป็นอาบัติที่เสียหายตรงไห น, นแล้วก็การให้พรนี่ความจริงเขาไม่ได้ให้ตอนบินทบาทกันการให้พรนี้ก็จะให้ เวลาที่มาทําบุญที่วัดกันเอ่นิสัยของโยมอยากจะได้พรก็เลยขอพระให้ให้พรเอพระก็ให้พรญาติโยมก็แสดงความเคารพด้วยการนั่งรับพรอออันนี้เป็นการแสดงความเคารพนะไม่น่าจะเสียหายตรงไหนอต่สมัยโบราณเขาอาจจะมีการถือว่าจะต้องอยู่ในอิรยาบทเดียวกับพระอันนี้ก็แล้วแต่ มันเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันสมัยนี้เราจะเคารพผู้ใหญ่ด้วยการนั่งอยู่ผู้ใหญ่ยืนเราไมเ่เราไม่ยืนคุยกับผู้ใหญ่เราจะนั่งฟังแล้วแล้วคุยกับผู้ใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่ธรรมเนียมคำถามจากคุณเหมี่ยวค่ะในกรณีพระที่มาบําเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ถือว่าท่านเป็นพระอริยสง์ เจ้าหรือไม่เจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นโพธิสัตว์ก็เป็นเหมือนคนธรรมดาคนที่กําลังบําเพ็ญเพื่อให้ได้เป็นพระอริยะเนีเห็นพระโพธิสัตว์ก็คือพวกเรานี่ยแหละเป็นโพธิสัตว์กันทั้งนั้นเนี่ยที่มาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องโพธิสัตว์ทั้งนั้นผู้ที่มุ่งสู่การหลุดพ้น ผ, ผู้ที่มุ่งสู่การตัดชั่รูปธรรม ก็คือโพธิสัตว์ผู้ใดที่ทําบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติทำฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ถือว่าเป็นโพธิสัตว์ทั้งนั้นแต่ไม่เป็นพระอริยบุคคลถ้าถ้าปฏิบัติแล้วกําจัดกิเลสได้ขั้นที่หนึ่งก็เป็นพระโสดาบันขั้นที่สองก็เป็นพระสะกิทาคามีขั้นที่สามก็เป็นข้าอาณาคามีขั้นที่สี่ก็เป็นพระอรหันต์ อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่ของโพธิสัตว์เนี่ยก็คือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆพอกิกเลสตัณหาถูกกําจัดไปเป็นเป็นชุดๆก็บรรลุเป็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไปคําถามจะคุณใจใจค่ะ หากเราปรารถนาหวังดีกับคนอื่นเช่นหวังให้เขาได้เรียนรู้ทำตามสมควรแต่เขาไม่ได้ยินดีในความหวังดีของเราแบบนี้ควรทำต่อเช่นไรครับก็หยุดไงเราให้เงินเขาแล้วเขาไม่รับเราทำาไงเรายังจะยัดเยียดให้เขาอยู่ว่ะยัดเยียดเขาก็ไม่เอาไม่เอาเราก็เก็บไว้กันแล้วกันคำถามาจะคุณพีโก้ค่ะ ถ้าจิตคิดอกุศลต้องแก้อย่างไรครับก็หยุดคิดเสิเวลามันคิดก็บอกว่าต่อไปนี้อย่าคิดแบบนี้คิดแบบนี้ไม่ดีสอนมันไปเรื่อยยิ่งถ้าสอนให้มันคิดว่าผลเสียหายที่จะตามมาเป็นอย่างไรมันก็จะไม่กล้าคิดเนี่ยคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวติดคุกติดตารางนะถ้าคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะหยุดคิดได้ถ้ามันไม่หยุดก็ต้องให้มันไปติดคุกติดตารางดูมันจะได้รู้ว่าคิดแบบนี้ไม่ดี คำถามจากคุณวิทิชัยค่ะทำไมต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีครับผมแปลไม่ออกตอนนี้ผมภาวนาในความหมายของบาลีแทนถือว่ายังอยู่ในการสวดมนต์ไหมครับคือบาลีเป็นภาษาทีพา่พระพุทธเจ้าใช้ในในสมัยพุทธกาลแล้วก็การบันทึกจดจำก็จดจำภาษาบาลีมาก็เลยถือว่าเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธ เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนมันถ้ามามาเปลี่ยนเป็นภาษาเราความหมายมันอาจจะเพี้ยนไปก็เลยมีทั้งสองภาษาเนี่ยนี้มีมีต้นฉบับเดิมคือภาษาบาลีแล้วก็มีการแปลบาลีอีกทีนึง่งการแปลนี้ก็ต้องมีการมาสังเกตานากันอยู่เรื่อยๆว่าแปลถูกหรือแปลผิดเนีเ่ การใช้ภาษาบาลีนี่เป็นเพื่อการสงวนรักษาคําสอนเดิมไม่ให้มันผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าเราอยากจะทราบความหมายเราเขามีหนังสือแปลให้บทสวดมนต์ทุกบทนี่มีคําแปลถ้าเราไปหาหนังสือที่มีคําแปลเราจะได้รู้ว่าเรากําลังสวดอะไรมีความหมายว่าอย่างไรอิติปิโสภะกวา อาหานตามมาสามพุโทโธนี่แปลว่าอะไรก็จะมีเขียนไว้บาหนังสือนี่ก็จะมีสองหน้าหน้าบาลีแล้วก็หน้าภาษาไทยประกบกันไปเลยถ้าสวดบาลีแล้วอยากจะรู้คําหมายก็มาอ่านคําแปลได้เนีย่ยหนังสือสวดมนต์วัดยา น, นี้จะมีคําแปลอยู่ด้วยถ้าอยากจะได้ก็ไปซื้อได้ทั้งทั้งวัดเขามีที่สํานักงานเขามีขาย คำถามจากทางไลน์นะคะทำอย่างไรให้จิตปล่อยวางได้แล้วเป็นการปล่อยวางที่ไรตัวตนของเราในการวางก็ต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาสมาธิจะทาให้เราปล่อยได้ชั่วคราวให้เรามีกําลังปล่อยปัญญาจะบอกว่าทำไมเราต้องปล่อยบางทีมีสมาธิไม่มีปัญญามันก็จะปล่อยเฉพาะตอนเข้าสมาธิพอจากสมาธิมามันก็จะกลับมายึดต่อ พอมันออกจากสมาธิต้องใช้ปัญญาสอนว่าทําไมเราต้องปล่อยเพราะปล่อยแล้วมันไม่ทุกนั่นเองถ้ายึดแล้วมันจะทุกเนี่ยอันนี้ต้องใช้ปัญญาสอนมันถึงจะปล่อยได้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีกําลังปล่อยก่อนถ้าไม่มีกําลังปล่อยสอนมันยังไงมันก็ปล่อยไม่ได้อย่างญาติโยมเนี่ยที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิบอกให้มันปล่อยมันก็ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมมันก็ยังยึดยังติดอยู่มันยังยอมทุกอยู่ ถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะมีกําลังปล่อยพอปัญญาสอนให้ปล่อยมันก็จะปล่อยเพราะมันรู้ว่ามันไม่อยากจะทุกข์ไม่เป็นไรถามได้ไม่คิดเงินท่ะถ้าท่านจะแนะนําบทให้บทหนึ่งก่อนที่จะนั่งสมาธิควรจะสวดบทไหนเปล่าคะเพราะว่าตัวเองไม่ ไม่สามารถจะเดินจงกรมได้ดีค่ะก็ <c oughs> เลือกเราตามที่เราชอบอะไรก็ได้ใช่ ไ, ได้เหมือนกันเถอโดยทั่วไปเขาให้เราจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก่อนให้เรามียึดพันพุทธพลัตนไตายเป็นที่พึ่งของเราโดยการจเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดบทอิติปิเศไปอานังสัมมาสวากขาโตสุปฏิปัปโนไปถ้ามันสั้นก็สวดหลายๆรอบ สวดไปนานๆานสวดจนกระทั่งใจไม่คิดไม่พุ้งก็หยุดคิดได้ยิ่หยุดสวดได้แล้วก็ดูลมดูการเดินอย่างเดียวก็ได้ถ้าเดินจงกรมก็ดูเท้าไปถ้านั่งสมาธิก็ดูลมหายใจไปคำถามจากทางยู u b e นะคะจากคุณไพโรธค่ะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ขอรับกับผม ไปใส่บาทที่วดัดพอดีเข้าที่วัดเหลือหลังจากญาติโยมทานกันหมดแล้วลุงที่ดูแลวัดให้เอากลับมาแจากเพื่อนๆที่ทํางานอย่างนี้ผมจะบาปไหมครับถ้าทางวัดอนุญาตก็ไม่บาปถ้าเราโลภถึงจะบาปถ้าไปแล้วอยากได้บาปไม่ควรอยากแต่ถ้าไปแล้วไม่อยากได้แต่ทางวัดขอร้องให้ช่วยเอาไปแจกให้หน่อยพราะเก็บไว้มันก็ไม่เป็นประโยชน์ที่ที่วดัด เอาไปแจกคนที่เขาขาดแคลนอย่างนี้ไม่ปาปแต่อย่าไปโลภบางคนไปวัดเอาข้าวไปครึ่งครึ่งกิโลเวลากลับบ้านเอาไปสามกิโลอย่างเงี้ยอันนี้ไปแบบค้าขายถ้าไปเพื่อพาณ น, นิดก็อย่าไปดีกว่าถ้าไปเพื่อเอากําไรของนี่อย่าไปไปเราต้องการขาดทุนไม่ต้องการอะไรจากวัดแต่ถ้าทางวัดเขามีของเหลืออยากจะให้เราช่วยเหลือเอาไป ทำบุญให้หน่อยมีคนยากจนตรงไหนก็นไปแจกก็ไปจ่ายใครอันนี้เราก็ทําไปแต่อย่าทําด้วยความโลภอยากได้ของจากทางวัดคำถามจากคุณอิสรีค่ะ ปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่มีคนเยอะๆดูวุ่นวายไม่เหมาะกับโยมค่ะแต่ต้องไปเพราะสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่สะดวกเนื่องจากพาพนัก ง, งานไปแต่จริงๆแล้วโยมไม่อยากไปแบบนี้โยมจะติดกรรมอะไรใหม่เจ้าค้า อ, อ๋อไม่ติดเราแสดงว่าโยมอยู่ออการปฏิบัติที่สูงขึ้นแล้วต้องไปปฏิบัติคนเดียวปฏิบัติกับคนเยอะๆนี่สำหรับพวกที่ยังปฏิบัติเองไม่ได้เลยต้องอาศัยคนอื่นช่วยกันดึงช่วยกันสอน แต่ถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วเราปฏิบัติคนเดียวได้เราก็ไปหาที่ปฏิบัติคนเดียวเราจะดีกว่าเพราะมันจะได้ผลมากกว่าเอาคำถามสุดท้ายนะคำถามจ้าคุณเชอร์เบลค่ะหนูยอยู่ต่างประเทศแต่อยากไปใส่บาตรถวายสังฆทานแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวพระแต่ถ้าเราคิดว่าถึงแม้ท่านจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีใจอยากทาเราจะได้บุญไหมคะได้การทำของเราได้ ่ประโยชน์อาจจะไม่ได้คือถ้าพระไม่ได้เป็นพระที่ควรจะเป็นคไม่ควรที่ยะยเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับศาสนาก็อาจจะไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้ถ้าเราไม่มั่นใจในพระเรายังอยากจะทำบุญกับพระที่ดีเราสมัยนี้ก็มีการโอนเงินผ่านทางมือถือได้ถ้าเรารู้ว่ามีพระครูบาอาจารย์ที่ไหนที่เรามีความมั่นใจถึงแม้ท่านจะอยู่ห่างไกลสมัยนี้ วิธีหนึ่งก็อาจจะเก็บเงินที่เราจะใส่บาทนี้ไว้ในกระปุกไว้ก่อนก็ได้แล้วเวลาเรามีโอกาสได้ไปพบกับพระที่เรามีความเชื่อมั่นแล้วเราค่อยเอาไปถวายท่านก็ได้พ่ะอาจารย์ขออีกคำถามหค<อ>่ะ<อ>คำถามจะคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ทางวิทยาลัยจะมีกิจกรรมรับน้องจะต้องทำกิจกรรมลักษณะอะไรที่จะส่งเสริมศิลธรรมครับขอบพระคุณขอรับก็กิจกรรมที่ทำให้มีความรักกันอย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเกลียดกันเมตตาทําวลาให้น้องใหม่เขามีความรู้สึกว่าพี่เป็นที่พึ่งได้เป็นที่รักได้ไม่ใช่เป็นพี่ที่จะมาคอยข่มเหงรังแกอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีทาให้น้องเกิดความเคารพเนี่ย สมัยนี้เขาคิดว่าจะทำให้น้องเกิดความเลารพต้องข่มเหงนังแก่เขาอันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องพี่ต้องสแสดงความเมตตาเสียสละ ทำอะไรให้น้องเห็นแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีพอพี่ทำรับน้องเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาก็เลยติด ก, กันมาใช่ไหมรับน้องกันมากี่ปีก็มีปัญหากันเพราะใช้วิธีข่มเหงรังแกกันน้องที่ถูกข่มเหงรังแกในครั้งนี้ครั้งหน้าก็ขอเอาคืนนะใช่ไหมก็ล้างแค้นกันไปไม่ใช่เป็นวิธีที่รับน้องที่ถูกน้องวิธีรับน้องถูกต้องควรจะจัดงานเลี้ยง้ามากินกันอะไรกัน ให้ครูวิชาความรู้นแ น, แนวว่าตอนนี้เราเข้ามหาลัยแล้วเราจะต้องทาตัวอย่างไรเรียนหนังสืออย่างไรอย่างนี้มันจะเป็นวิธีที่รับน้องที่ถูกต้องไม่ใช่มาทำอะไรบ้าบอคอแตกเยให้กินเหล้าจนกระทั่งเมานี่มันไม่ใช่เป็นวิธีรับน้องครูบาอาจารย์ก็ไม่ควบคุมปล่อยให้เละเทะไปทุกวันนี้ เพราะคิดว่านี่เป็นวิธีที่จะทำให้รุ่นน้องกลัวรุ่นพี่เมันเราไม่ได้กลัวด้วยความรักกลัวด้วยความเกลียดก็ยังเราต้องให้กลัวด้วยความรักยำเกรงเพราะรุ่นพี่มีคุณธรรมที่สูงกว่าพี่ต้องเสียสละให้น้องแม่งปันให้น้องเพราะพี่มีประสบการณ์มากกว่าแล้วน้องก็จะได้เคารพรักพี่โอเคนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา